สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเปเยซู ต, ตอนที่465เรื่องของประธานพู้วิญญาณบริสุทธิ์ตอนที่9พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของของมระธานฝ่ายพู้วิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็จบลงด้วยประการที่3ก็คือเป็น สิทธิอำนาจสูงสุดของพระเจ้าอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าในการที่จะประทานของประทานให้กับเราตามความปรารถนาตามชอบปไตยของพระองค์เองในเช้าวันนี้ครับเราจะมาดูต่อไปเกี่ยวกับรเรื่องของสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีหนึ่ง 1, โครินบทที่สิบสองข้อสิบสี่จนถึงข้อที่ยี่สิบหกต่อนะครับผลสืบเนื่องจากความจริงทั้งสามประการเมื่อวานนี้ทําให้เรารู้ว่า ในขณะที่ท่านอัครทูตเปาโลเสนอว่าในเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้ของประทานต่างๆกันตามนามาไทของพระองค์ซึ่งเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาของพระองค์และขึ้นอยู่กับศิทธ์ขาดศิทธิเทียมนาดขึ้นอยู่กับพระองค์ก็ไม่สมควรที่พวกเรานั้นจะมีความอิจฉาหรือหยิ่งหรือหยิ่งลำพองหยิ่งจองของเราจะลดค่าของประทานที่เราเองได้รับ ไปมองดูของประทานที่คนอื่นได้รับด้วยจิตใจด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่อิจฉาริษยาได้อย่างไรในเมื่อพระเจ้าประทานให้เราตามพระคุณตามชอบพทัยขอมพรงและเช่นกันครับเราก็จะไม่ไปเหยียดหยามของประทานของคนอื่นๆและว่าเขาสู้เราไม่ได้อย่างไรในเมื่อพระเจ้าประทานให้คนอื่นตามพระคุณและตามชอบพทัยขอมพงพี่น้องครับ สองประการที่สําคัญมากครับก็คือเรานั้นจะต้องไม่สมควรมีความอิจฉาหรือหยิ่งลาพองและเราจะต้องไม่สมควรที่จะไปเหยียดหยามดูถูกของประทานของคนอื่นๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาพิจารณาเรื่องของการทําผิดเกี่ยวกับเรื่องของประทานนะครับเพื่อที่เราจะไม่ทําผิดอีกต่อไปครับ ประการแรกสุดก็คือว่าเราจะต้องไม่เยอ่อยิงคำตรงกงนข้ามกับคำว่าเยอ่อยิงก็คือการถ่อมตัวครับในข้อที่สิบห้าจนถึงข้อที่ยี่สิบท่านอัครทูตเปาโลยกตัวอย่างชัดเจนและมีอารมณ์ขันแฝงมาด้วยครับท่านได้พูดถึงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเท้าจะต้องไม่ดูถูกตัวเองว่า ดูฉันสิฉันไม่มีประโยชน์อะไรฉันไม่สามารถดิบฉวยอะไรเขาได้ฉันเคลื่อนไหวขยับก็ไม่คล่องแคล่วเหมือนมอือฉันมันก็ไอแค่เท้างี่เงา่าพี่น้องครับเราจะต้องไม่ดูถูกตัวเองนะครับการถ่อมตัวกับการไม่ดูถูกตัวเองนั้นมันคนละเรื่องกันนะครับบางคนคิดว่าคนที่ถ่อมตัว แต่ต้องดูถูกตัวเองนะครับจริงๆไม่ใช่ครับคนที่ถ่อมตัวจะไม่ใช่เขาจะดูถูกตัวเองครับแต่เขาจะเห็นคุณค่าของตัวเองอย่างที่เขาเป็นที่รองขับหลายหลครั้งทีเดียวเราไม่เห็นคุณค่าของเราอย่างที่เราเป็นบางคนเห็นคุณค่าของตัวเองสูงกว่าที่เราเป็นบางคนเห็นคุณค่าของตัวเองต่ํากว่าที่เราเป็นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิด เพราะเหที่เราไม่เข้าใจเรื่องของประธานเราไม่เข้าใจเรื่องสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราก็คือความสามารถในด้านต่างๆนริงครับเมื่อเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เราก็เข้าใจผิดแล้วเราก็มีความรู้สึกกับตัวเองว่าเรานั้นไม่สามารถหรือเรานั้นไม่มีคุณค่าอันนั้นคือการดูถูกตัวเอง ในขณะเดียวกันครับหลายหลายคนก็เห็นคุณค่าของตัวเองมากจนเกินไปทําให้เขานั้นหญิงกระสุและหญิงผยองพี่น้องครับท่านนักรู้ปาวโลข่าวต่อไปว่าดูฉันสินะครับอันนี้หูพูดนะครับหูพูดหูพูดว่าดูฉันสิฉันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกันไม่เห็นอะไรเลยรูปร่างฉันเป็นยังไงสีอะไรฉันก็บอกไม่ได้หูบอกตัวเองว่าฉันเนี่ยมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลย ได้ยินแต่เสียงได้ฟังแต่เสียงพี่น้องครับลักษณะของคาพูดอย่างนี้ก็คือคาพูดที่ทับถมตัวเองนะครับเป็นความโง่เขาครับพี่น้องและการพูดอย่างนี้ไม่ได้ทำให้ตัวเรานะครับด้อยคุณค่าลงความจริงแล้วตัวเราเนี่ยไม่ได้ด้อยคุณค่าลงครับแต่เป็นเพียงแต่อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราเท่านั้นเช่นเดียวกันครับเท้านะครับ หรือโหูก็คิดถึงตัวตัวเองว่าตัวเองนั้นไม่มีคุณค่าจริงๆแล้วตัวเองนั้นมีคุณค่าเพราะเหตุที่ว่าตัวเองนั้นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาตามพระประสงค์ตามน้มัธยัยของพระองค์การพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าตัวเองจะลดคุณค่าลงครับในสายพันตร์ของพระเจ้าแต่เรากาลังลดคุณค่าตัวเราเองเพราะเหตุที่ว่าเราทัานกาลังดูถูกตัวเอง เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องหลุดออกจากการดูถูกตัวเองครับต้องหลุดออกจากการดูถูกตัวเองให้ได้ครับเพื่อที่ว่าเรานั้นจะสามารถทำงานของพระเจ้ารับใช้ของ ร, รับใช้ตามของประธานได้ดีมากยิ่งขึ้ น, นครับเรามาดูต่อไปนะครับพระเจ้นะพระเจ้าบอกว่าการทำอย่างนี้ไม่ได้ทำให้เราด้อยหรือไม่ได้ทำให้เราออกจากสมาชิก ความเป็นส่วนหนึ่งของพระวรกายเพราะหากทั้งร่างกายนั้นมีเพียงแต่ตาอย่างเดียวนะครับจะได้ยินอย่างไรได้ถ้าเป็นหูอย่างเดียวการดมกลิ่นจะเป็นยังไงก็ไม่สามารถที่จะให้ทุกคนนั้นเหมือนกันหมดครับเพราะว่า อ, าอาวัยวะต่างๆในร่างกายนั้นก็ไม่เหมือนกันแต่ละอย่างแต่ละส่วนนั้นต้องทําหน้าที่เฉพาะตามที่ชอบพระฒัยของพระเจ้าหากไม่ได้ทรงกระทาเช่นนั้นก็รวมกันเป็นร่างกายไม่ได้ครับ นะครับรวมกันกลายเป็นกองอวัยวะครับไม่ใช่เป็นร่างกายครับเพราะฉะนั้นเพราจ้ะนั้นพระเจ้าบอกว่าความจริงนั้นมีอวัยวะหลายอย่างแต่ก็ยังเป็นร่างกายเดียวกันดังนั้นเองเราจึงไม่สมควรจะดูถูกทับถมตัวเองครับประการต่อไปประการที่สองสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ <c oughs> การดูถูกตัวเองก็คือการหญิ่งยโสครับการหญิงพยองลำพองยกตนข่มท่านในข้อที่ยี่สิบเอ็ดจนถึงข้อที่ยี่สิบหกนะครับตาไม่อาจดูถูกมือหรือเหยียดหยามแสดงความหญิงยโสจองหองนะครับตาไม่สามารถที่จะพูดว่าฉันไม่ต้องการเธอเพราะเธอเป็นแค่มือ เธอหยิบจับช่วยสิ่งของต่างๆได้ก็จริงอยู่แต่เธอไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเพราะเธอไม่อาจมองเห็นเหมือนฉันได้สีสันนั้นไม่มีสิทธิ์มองลงมาอย่างเท้าและพูดอย่างหญิงยโสว่าฉันไม่ต้องการเธอเธอเป็นแค่เท้าไอ้เท้าโกโลโกโสยอมรับแล้วว่าเธอพอจะเดินไปไหนมาไหนได้แต่ฉันนี่สิมีมันสมองเพราะฉันเป็นศรีรษ ะ, ฉ, รษะฉันเป็นหัว จะเป็นศูนย์กลางของระบบประสาทจะเป็นคนคิดวางแผนแตัดสินใจทําทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ต้องมีเธอก็ได้อาคาทูตเปาโลไม่เพียงแต่ไม่ยอมรับการพูดโอ้อวดเบ่งนะครับวางกล้ามเช่นนี้ท่านยังกล่าวแย้งด้วยว่าพระเจ้าได้ทรงให้อวัยวะทั้งหลายของร่างกายเสมอภาคกันครับพี่น้องทาคํานี้มีความสําคัญมากครับคําว่าเสมอภาคกันในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่ว่าเราจะอยู่ในตําแหน่งใดก็ตาม เราจะทําหน้าที่ใดก็ตามเราจะฟังก์ชันรับผิดชอบสิ่งใดก็ตามพระเงมพีได้กล่าวว่าในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นอ ว, วิวาแต่และอย่างของร่างกายเสมอภาคกันครับและยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ก็ตกแต่งอวิวาที่ต่ําต้อยให้เป็นที่น่านับถือมากยิ่งขึ้นพอถึงตรงนี้นะครับเราสามารถสรุปได้นะครับว่า เสียงของฝ่ายดูถูกทับถมตัวเองนั่นก็คือความบาปเหมือนกันนะครับเสียงของฝ่ายที่ยกย่องตัวเองยกตนข่มท่านนั้นก็เป็นความบาปเหมือนกันเสียงของฝ่ายดูถูกตัวเองทับถมว่าฉันไม่มีอะไรดีเธอไม่ต้องการฉันก็ได้ชวนเสียงอีกฝ่ายหนึ่งของฝ่ายที่หญิงแย่โสลำพองโอหังเขาบอกว่าเธอไม่มีอะไรดีฉันไม่ต้องการเธอก็ได้แต่เสียงของพระเจ้าพูดไงครับเสียงของพระเจ้าพระสุรเสียงของพระองค์นั้นพระองค์บอกว่า เจ้าทั้งหลายต้องการซึ่งกันและกันพี่รองทับโปรดฟังอีกครั้งเสียงสุรเสียงของพระเจ้าก็คือเจ้าทั้งหลายต้องการซึ่งกันและกันเพราะเหตุที่เจ้าทั้งหลายได้รับของประทานจากเราของประทานที่พระเจ้าให้แก่เรานั้นให้แก่คนอื่นล้วนสำคัญเท่ากันและจำเป็นเท่ากันครับในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีใครดีกว่าใคร ไม่มีคําใครตําป้อยกว่าใครนะครับจําเป็นอย่างยิ่งที่ทุกๆุกอวัยวะนั้นจะต้องประกอบกันเป็นกายที่สมบูรณ์เป็นกายที่หลังแข็งแรงนะครับเป็นกายที่สามารถถวายการรับใช้ถวายเกียรติถวายการสรรเสริญแด่พระคริสต์พระเยซูได้ซึ่งอวัยวะทุกส่วนนั้นจะต้องทําหน้าที่อย่างครบถ้วนและเป็นปกติครับอย่าให้มีอวัยวะใดพิการเพราะฉะนั้น การแข่งแย่งในร่างกายนั้นก็จะหมดไปก็ต่อเมื่อเราเลิกดูถูกทับถมตัวเองหรือเราเลิกดูถูกทับถมผู้อื่นแล้วเราจะเห็นของประทานของพระเจ้าซึ่งพวกเราทุกคนจะได้รับประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ขอพระเจ้าอวยพรและเมตตาพี่น้องในทุกๆท่านทุกๆคริสตจักรที่เราจะใช้ของประทานของพระเจ้าอย่างสมศักดิ์ศรีอย่างสมควร และยังมีคุณค่าอาเมน